ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงจ่าฝูงใหญ่ที่สุดก็ควบเรงปีเข้ามาอย่างรวดเร็วจอมพรานตวัดไรเฟื่องขึ้นประทับบ่าในพริบตานั้นก่อนที่ชายยันหรืองแงซายจะทันเหนี่ยวกายจุดสามในมือของเขาก็สแพ่สถานป่าหัวกระสุนซิลเวอ t ์ทิปน้ำหนัก200รอยกรัวิ่งเข้าทะลวงแสกหน้าของมันในขณะที่ควบเข้าใส่อย่างแม่นยำร่างใหญ่โตนั้นพลิกตีรังกาสองทอดแล้วฟุบนิ่งอยู่กับที่ ทั้งฝูงและสัมและสายแล้วไอตัวใหญ่ๆอีก 2-3 สาตัวก็ปรีเข้ามาอีกอย่างไม่สตกสะทานกับเสียงปืนและภาพการวายปรานของเจ้าตัวแรกบัตรนั่นเองจุด375และจุด4440ของชายยันกับแงซายก็ระดมการแผดกึกกล้องชนิดป่าแตกในขณะที่ระพินกระชากลูกเลื่อนสนัดปลอกกระสุนกาวทิ้งและตนเองเพ่นเข้าหาโคนไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่ง กระสุนแม็กนั่ของชัยยันนัดแรกตัดไหล่ของเจ้าตัวหนึ่งหักสะบั้นไปมันหมุนคว้างส่งเสียงร้องลั่นแล้วก็ตะกายแยกเขี้ยวเข้ามาอีกแง่ท า, ายก็ยิงตัวทางด้านขวามือลงไปดิ้นพลาดอยู่กับพื้นแล้วหันมาสกัดอีกตัวหนึ่งที่วิ่งล้ำหน้าใกล้เข้ามาที่สุดแต่ระพินระเบิดนัดที่สองของเขาทะลุซอกไหล่ร้อยพวงออกมาไปยังตะโพกด้านหลังซึ่งก็พอดีกับกระสุนจุดสี่ศ หัวตัดแบบโบราณของแงาสายจับเปาะเข้าดั้งจมูกซ้ำมันผงะผึงลงไปกองแผดเสียงร้องสนั่นป่าชายยานยิงอย่างมันมือระคนไปกับอาการตื่นเต้นจุดสามเจห้าของเขาไม่ได้เข้าจุดตายเหมือนระผิหนังแ ง, ง่ร า, ายที่ยิงออกไปแต่เนื่องมาจากอนุภาพของกระสุนที่หนักหน่วงและรุนแรงกว่ามันก็ไม่ผิดหวังนักซึ่งแม้จะไม่ล้มในทันที แต่สองสามตัวก็ปัดเปะชักดิ้นชักงอไปด้วยแรงประทะขนาดสองตันครึ่งของลรเฟิลนในมือเขาป่าทั้งป่าแตกคลืนราวกับจะเกิดสงครามขึ้นเพราะเสียงลรเฟิลนสามกระ บ, บอกทิศซันโวออกไปอย่างไม่ยัง้ง 3- าสี่ตัวที่เหลือเบนทิดวิ่งป่าราบไปในขณะที่ตัวมะหึมาสี่ตัวนอนกลิ้งจมกองเลือดอยู่ชยยนยังยิงไล่หลังไปอีกสองนัด ทั้งหมดออกมาจากที่หลบเข้ามายืนมุงอยู่ที่ซากหมีควายเหรานั้นแล้วพินโครงหัวจุ๊ปากเบาๆเสร็จกันป่าแตกเสียพิธีหมดเห็นจะต้องเดินเหนื่อยเปล่าเสียแล้วครับคุณชายยันทำยังไงละ่ะเราไม่อยากจะพบมันก็ดันมาพบเข้าไล่ก็ไม่หนีซ้ำยังเขาโจมตีเราเสียอีกผมเพิ่งเห็นลิศหมีควายชัดๆนี่เองแล้วก็ไม่เคยเห็นหมีควายที่ไหนใหญ่เท่าป่านี้ ไม่เจอะบัวก็ไม่เป็นไรนึกว่าล่ามีแทนพระผาสิผมบอกตรงๆว่ามันตื่นเต้นไปหมดนี่ถ้าเราถือปืนอยู่กระบอกเดียวคงยิงมันไม่ทันแน่ชา ย, ยันผูดหอบหอบควักภาชนะออกมาซับเหงื่อมองดูเจ้าพวกมีควายที่ตกเป็นเป้ากระสุนเหล่านั้นอย่างหวาดเสียวผลของการสํารวจรอยกระสุนนอกจากตัวแรกที่ระพินยิงตัดสมองแล้วอีกสามตัวถูกกระสุนจุดหและจุดสี่สของชา ย, ยัน กับแง่า ย, ายตัวละหลายนัดตัวสุดท้ายที่ร้มลงคราวหลังและใกล้กับตําแหน่งหลบซ่อนของรพินมากที่สุดดูเหมือนจะเจาะกระสุนเข้าไปทั้ง3ขนาดสถิติในการยิงทั้งหมดชัยยันดันกระสุนออกไปมากที่สุดเพราะบรรจุสาถึงสชุดส่วนรพินยิงออกไปเพียงสนัดเท่านั้นเขาสั่งให้พวกลูกหาบและแง่า ย, ายช่วยกันลากซากมีทั้ง4ตัวเข้ามากองรวมกันไว้ทางหนึ่ง เราจะจัดการยังไงกับไอหมีพวกนี้ชัยยันถามเนื้อมันเห็นจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับตาบใดก็ตามที่เรายังมีเนื้อที่พอจะเลือกกินได้ดีกว่านี้ทิ้งมันไว้นี่ก่อนกลับไปถึงแคมป์ค่อยส่งให้พวกลูกหาบมาถะลกะหนังเอาไปเพื่อคุณชัยยันจะส่งไปฟอกและปูไว้ในห้องรับแขกที่บ้านเวลากลับกรุงเทพแต่ว่าเนื้อมันเห็นจะต้องทิ้งก็แล้วแต่พวกที่เราส่งมาถลกหนังเถิดครับ มันนึกจะกินเนื้อหมีมันก็คงชำแหละขนกันไปเองว่าอันที่จริงพวกบ้านป่าก็ดูเหมือนจะกินกันไม่เลือกอยู่แล้วน้ำมันหมีก็ไม่เลวเจียวดีๆ ด, ดูไม่ออกว่าเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันหมีกันแน่ทอดอะไรกินแทนน้ำมันหมูได้สบายอีกอย่างหนึ่งที่ชาวป่าชอบมากก็คือดีของมันดีหมีกินแก้ช้ำในมีพวกร้านขายยานในกรุงเทพสั่งมาที่ผมบ่อยๆเหมือนกันให้หาดีหมีให้ แต่ตามปกติแล้วผมไม่อยากจะฆ่ามันนอกจากดัจกจับเป็นขายให้บริษัทคุณอัมพลอย่างที่ทำอยู่ทุกวันชายันหัวเราะจุดบุหรี่สูบและส่งให้เขาตัวหนึ่งนี่มันตกเป็นเหยื่อลูกปืนของเราและเราก็พูดกันถึงเรื่องเนื้อนหนังมางสาของมันสมมุติเป็นตรงข้ามถ้าเราตกเป็นเหยื่อของมันบ้างล่ะไอ้ตัวจ่าฝูงที่คุณยิงคว่ำเป็นตัวแรกนั่นน่ะเขี้ยวอันขนาดหัวแม่มือทีเดียวนะแล้วก็ยาวทั้งสามนิ้ว ผมเคยเห็นศพคนที่ถูกหมีกัดตายและวินตอบเรื่อยๆน้ำเสียงปกติก็โลหัวแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีกระดูกกระเดี่ยวมันกัดปนหมดอย่าว่าแต่เนื้อหรือกระดูกคนเลยกิ่งไม้ใหญ่ๆเวลามันมันเคี่ยวขึ้นมามันก็ยังกัดขาดผมเคยชี้ให้ดูกิ่งไม้ที่หมีกัดมาแล้วเมื่อวานตอนที่เราผ่านปากดงเป็นไงครับเคยประทะกับหมีอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าประโยคหลังเขาหันมาถามยิ้มยิ้ม อดีตในพันตีทหารปืนใหญ่สันศีสักยังไม่เคยเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นหมียกฝูงเข้าเล่นงานคนเข้าป่ามาหลายครั้งไม่เคยเจอหมีซึ่งซึ่งหน้าสักทีเสือยังเคยบ้างเสือก็ไม่เคยเห็นมันจะปรีเข้าเล่นงานเราชนิดยกทีมแบบนี้ว่ายังไงแผนการเดิมของเราที่จะตามรอยวัวก็ลองเสี่ยงดูสิครับเวลามันยังเหลืออีกแยะกว่าจะขําลองเดินดูต่อไป กฎอะไรในป่าหรือในเมืองมันก็ร้วนมีข้อยกเว้นพิเศษทั้งนั้นป่าข้างหน้าเรามันแตกไปแล้วเพราะเสียงปืนราวกับประทัดตุ จ, จีนแต่ก็ว่าไม่ได้อ่านมีสัตว์หูหนวกหรืออยู่เหนือทางลมของเราไม่ได้ยินเสียงอยู่บ้างก็ได้จอมพรานพูดขันขันแล้วเขาก็ออกนําต่อไปโดยทิ้งซากมีไว้อย่างตําแหน่งนั้นก่อนข้ามลําธารเบื้องหน้าแลาะริมห้วยแห้งตามรอยเดินของบัว แล้วก็โผล่ออกทุ่งผีหลอกอีกสองชั่วโมงเต็มเต็มที่ระพินนำชายยานเดินแกะรอยอยู่ในทุ่งหลังเขานอกจากหมโูลและรอยเท้าแล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้พบบัวแดงเลยไม่ว่าเดี่ยวหรือฝูงนอกจากแก้งตัวเดียวที่วิ่งตัดหน้าไปในระยะไกลซึ่งชายยานก็ยิงด้วยความโมโหและก็ผิดด้วยจริงของคุณป่ามันแตกเสียแล้วเดินกันเหนื่อยเปล่าชายยานบออยังหงุดหงิด ในขณะที่ทั้งหมดนั่งพักอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมภายหลังจากแกะรอยไม่มีผลพรุ่งนี้ถ้าเราย้ายแคมป์ไปถึงเขาเจ้าผมรับรองว่าไม่ผิดหวังหรอกครับเรื่องวัวแดงยิงกันไม่ไหวเสียอีกเอาละถึงยังไงพวกเราที่อุตส่าห์เดินมานี่ก็ไม่ผิดหวังเสียทีเดียวนะักอย่างน้อยที่สุดก็ได้รบกับฝูงหมีฝูงเบลเลอร์ตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเชฐาหรือดารินคงไม่ออกรถเหมือนพวกเราหรอก พอตะวันคล้อยต่ำละพินก็ชวนกลับโดยบอกว่าระยะเดินไกลกว่าจะแวะรับเชษฐาและดารินก็คงข่ามพอดีเขานำกลับโดยย้อนรอยทางเก่าผ่านซากหมีใหญ่ที่ยิงรวมกันไว้แล้วชี้ให้ชัยยานดูรอยหมาป่าที่มาวนเวียนอยู่รอบๆซากหมีเหล่านั้นบางตัวก็มีรอยถูกกัดแทะหนังเวอร์เข้าไปบ้างแล้วหยกยกนี่เองก่อนหน้าที่เราจะผ่านกลับมาไม่ถึงอึดใจ พวกมันได้กลิ่นได้ได้ยินเสียงเราสิก่อนจึงเพ่นหลกไปแต่คงไม่ไปไหนไกลหรอกคงจะซุ่มอยู่ในระแวกนี้แหละพอเราเลยไปมันก็ออกมาทึ้งอีกถ้าดักเฝ้าก็คงจะได้ตัวสิได้ยิงแน่ครับแต่จะมีประโยชน์อะไรนอกจากยิงทิ้งหมาป่าชมดอีเห็นหรือเสือขนาดเล็กประเภทเสือไฟมันก็เปรียบไม่ผิดอะไรกับนักย่องเบาวหัวขโมยไปจําป่าไม่มีอันตรายอะไรสําหรับเรา แต่ชอบลักขโมยก่อความรำคาญและย่มโมโหถ้าเรายิงอะไรได้ทิ้งไว้ก่อนโดยไม่จัดการขนย้ายในทันทีและไม่มีการเฝ้าเวลาย้อนกลับมาเอาอีกครั้งเรื่องจะครบสมบูรณ์เป็นไม่ต้องหวังมันต้องต่อแทะและเลมไปเสมอถ้าสัตว์เล็กหน่อยประเภทกระจงหรือเก้งมันก็ขโมยทั้งตัวเลยใครไม่รู้ก็นึกว่าผีป่าแรงยิงสัตว์ตายทิ้งไว้พอคล้อยหลังก็หายไปได้พอเดินขึ้นหุบลึก ใกล้บริเวณห้างของเชิฐาเข้ามาเป็นเวลาขมุกขมัวใกล้ขําเต็มทีมองเห็นอะไรได้เพียงรางรางขณะนั้นเสียงปืนก็ระเบิดกึกก้องไปทั้งป่าในความเงียบและหุบเช่นนี้กำปนาดของมันสะเทือนเรื่อนรั่นมันลั่นขึ้นเพียงนัดเดียวแล้วก็เงียบหายไปทั้งหมดหยุดชะงักนิดหนึ่งหันมามองดูหน้ากันเสียงปืนห้างของคุณชายคงจะล่ออะไรเข้าให้แล้วจอมพรานบอกเงียหู ทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบเหมือนเดิมไม่มีอะไรกระตกกระตากเขาก็ออกเดินนำไปโดยเร็วบ่ายหน้าไปยังบริเวณหนอง น, องน้ำที่ขัดห้างไว้ชา ย, ยานแงสายและลูกหาบสองคนเดินตามไปโดยเร็วไม่ใช่นั่งห้างนานๆชักเบื่อไม่เห็นมีอะไรข้าวก็เลยล่อชนีหรือข้างเข้าให้นะชา ย, ยานเปลือ ย, อย่างอารมณ์ขันผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงเป็นกวางครับระพินตอบอย่างมั่นใจ พอพอจะรู้ฝีมือและชั้นเชิญในการล่าสัตว์ของหม่อมราชวงศ์เชษฐาดีอยู่พอเดินเข้ามาใกล้ได้ระยะเขาก็ป้องปากกูเรียกส่งเสียงเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดมีเสียงกูออกมาและผู้กูก็คือจันร์พรานของเขาที่ให้นั่งเป็นเพื่อนเชษฐานั่นเองพรานใหญ่เล่งฝีเท้าขึ้นอีกเมื่อมาถึงทุกคนก็เห็นจากแสงขมุกขมัวนั้นว่าทั้งเชษฐาและจันขณะ น, นี้ลงจากห้างแล้ว มายืนอยู่ที่โขถินใหญ่ก้อนหนึ่งริมหนองใกล้ๆกับโขถินก้อนนั้นร่างใหญ่โตของอะไรช น, นิดหนึ่งมองดูในความมืดสลัวเห็นเป็นสีกลืนมืดล้มตะแคงอยู่ที่นั่นส่วนตัวเกย อ, อยู่บนพื้นดินส่วนหัวอันมีเขางงเขมําลงไปจุ่มในน้นําในหนองทั้งหมดก็วิ่งผู ก, กันเข้าไปโดยเร็วพร้อมกับส่งเสียงถามทักทายอย่างตื่นเต้นทีแรกกระพินเองก็เข้าใจว่าเป็นกระทิง แต่เมื่อเข้ามาถึงจึงเห็นว่าเป็นวัวโทนตัวใหญ่เต็มที่สีตาลตโนด ร, รอยกระสุนศูนย์ศของเชษฐาเจาะ ก, กระดูกสันหลังของมันอย่างประนีตแสดงให้เห็นถึงฝีมือการยิงชั้นเยี่ยมระยะที่วัวคอร้ายลงมากินน้ำและเชิฐาผู้นั่งอยู่บนห้างมันไม่ห่างออกไปนักถ้าจะเป็นการเล็งยิงอย่างทั่วไปตามหลักสามันผู้ยิงทุกคนก็คงจะต้องเล็งส่วนศรีรษะ ซึ่งจะให้ผลแน่นอนได้วางใจได้ที่สุดแต่หลักฐานรอยแผลที่เห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นชัดว่าเชษฐาเจตนาที่จะเล็งยิงให้ตัดกระดูกสันหลังอันเป็นการยิงที่ลำบากกว่าแต่กใกล้ผลการประหารที่เที่ยงตรงเหนือกว่าการเล็งหัวเสียอีถ้ากระสุนเข้าเป้าหมายได้ดังเจตนาเพราะศาสตร์จะล้มลงในทันทีและตายอยู่กับที่อย่างไม่มีการทรมานเลย แทบจะเรียกว่าไม่มีการกระดิกเสียด้วยซ้ำวัวแดงตัวนี้ถูกยิงล้มอยู่กับที่ตรงที่มันยืนอยู่ครั้งสุดท้ายเหมือนถูกเป่าด้วยเวทมนต์โดยไม่มีการดิ้นโดนแม้แต่นิดหนึ่งมันเป็นการยิงของนักราสัตว์ชั้นสูงไอ้นี่เองฉันกับพระพินเดินตามแทบขาหลุดในที่สุดก็เดินเข้ามาหาให้แกยิงอย่างสบายโดยไม่ต้องเดินสักนิดชยยันร้องด้านออกมา แบจะเต้นแล้วก็ตรงเข้ามาจับมือเชษฐาเขย่าโดยแรงอย่างปิติยินดีแล้วพินยิ้มพรายมองดูหม่อมราชวงศ์เชษฐาด้วยปลกตาด้วยประกายตาเลื่อมสายและแน่ใจตอนที่ได้ยินเสียงปืนผมประมาณไว้ว่าคงเป็นเพียงแค่กวางเท่านั้นไม่นึกว่าคุณชายจะโชคดีในการล่าถึงขนาดนี้เชษฐาตอบพร้อมกับหัวเราะสีหน้าของเขาแช่มชื่นแสดงความตื่นเต้นปิติจ แต่ก็ไม่ทิ้งการถ่อมอันเป็นนิสัยประจำตัวทีแรกผมก็นึกว่าฝ่าวหมดแล้วนั่งตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นมีอะไรโผล่มาให้เห็นนอกจากกระจงสองสมตัวพอตะ ว, วันตกเจ้านี่กระเซอ้อซ่าโผล่เข้ามาชะตามันจะถึงที่ตายมากกว่าโทนเสียด้วยตูมเดียวไม่ได้กระดิกเลยครับหงายท้องคลืนจันยิ้มย่องบอกมาพร้อมกับยกหัวแม่มือขึ้นอย่างชนิดเรื่มายยอมรับนับถือ พอเห็นกับตาตนเองในขณะที่เชิฐายิงชายยันตรงเข้าพินิจพิจารารอยบาดแผลอย่างไม่วายกังขาแล้วหันมาถามปนหัวเลาะแหมนี่เรียกว่ายิงกันแบบมือชั้นปัชยาเทียวนะเชิดาททำไมแกถึงไม่ยิงหัวมันเห็นใกล้ๆแค่นี้เองทีแรกก็จะเลงหัวเหมือนกันแต่อยากจะลองทฤษฎีของการทาลายกระดูกสันหลังดูว่าจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็มาเป็นเป้าให้ใกล้ๆแค่นี้ ก็เลยลองทดลองดูก็ได้ผลนี่มันล้มถล่มอยู่กับที่ไม่ดิน้นไม่ชักไม่มีแม้แต่เสียงร้องพงวัวัวขึ้นมาสองทีเท่านั้นก็นิ่งยิงสัตว์มาก็มากไม่เคยมีโอกาสได้ยิงตัดกระดูกสันหลังเลยส่วนมากระยะมันไกลกะลําบากหมายกระดูกสันหลังผ่าไปเจาะลําลตัวส่วนบนตามกันไม่ไหวทีเดียวตัวนี้เป็นตัวแรกที่เข้าเป้าตรงเพงเพราะมันใกล้แกตัดหน้าฉันเสมอนะเชิฐา ชา ย, ยันจุปากลั่นหันไปต่อว่าอย่างสับยอกทั้งหมดพากันหัวเราะขึ้นอย่างแจ่มใสสนุกสนานขอโทษทีไม่ได้เจตนาเลยว่าแต่แกกับคุณพินเถอะพอส่งฉันขึ้นห้างแล้วเห็นเงียบหายไปร่วมชั่วโมงก็ดูเหมือนจะแววแววเสียงปืนที่ยิบทีเดียวจะว่าหูฝาดก็ใช่ที่จันบอกกับฉันว่าคงจะเจอช้างข้าฉันยังนั่งใจมิดียวยิวนี่ช ย, ยันเป็นคนบรรยายเรื่องตื่นเต้นเกี่ย การไปเชิญหน้ากับฝูงหมีให้เช่นถาฟังหม่อมราชวงหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางซักถามอย่างตื่นเต้นไปด้วยทั้งหมดยืนคุยกันอยู่เหนือซากวัวแดงจนกระทั่งมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นต้องใช้ไฟฉายระพินก็เตือนขึ้นว่ามืดแล้วเรารีบกลับถึดครับยังต้องแวะรับบุญคำกับคุณหญิงอีกกว่าจะถึงแคมป์ก็เห็นจะไม่หนีสองทุ่มถึงแคมป์เราแล้วผมจะส่งเกวียนให้มาชัแหละลำเลียงวัวตัวนี้ไป ขณะนี้ทิ้งมันไว้ที่นี่ก่อนอากาศเย็นเยือกลงอย่างกระทันหันรอบด้านมืดหมดราวกับเหวนรกเต็มไปด้วยความหน้าระแวงและสะพึงกลัวและผินให้เชษฐถาชัยยันเดินรวมกลุ่มกับเขาไปเบื้องหน้าลูกหาบสองคนให้เดินอยู่กลางส่วนจันร์ได้รับคำสั่งให้เป็นกองระวังหลังอยู่กับแง่ทรายการเดินใช้เฟฉายขนาดแปดท่อนที่เตรียมมาสองทางแม้ตอนกลางวันที่เดินกันมาทั้งเชิฐากับชัยยัน ก็งงไม่รู้จะสังเกตที่หมายอะไรได้อยู่แล้วยิ่งในเวลากลางคืนในดงอันมืดมิดเช่นนี้ยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากจะเดินตามการนําและฝากความไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างไว้เก่นในพรานใหญ่เท่านั้นทุกคนถือปืนในลักษณะเตรียมพร้อมทั้งสองอดกังขาไม่ได้ว่าในความมืดเช่นนี้แล้วพินเดินไปได้อย่างไรอย่างคล่องแคล่วช น, นิดไม่กลัวหลงเลยแต่ก็ไม่มีใครปิดปากพูดคําใดออกมาในเรื่องนี้ เพราะเชื่อฝีมืออยู่นอกจากเชิฐาผู้มีความจําดีจะเปยิยออกมาว่าเอเที่ยวขามาคุณรัพย์เพียดูเหมือนจะตัดพงขึ้นเนินหน่อยไม่ใช่เหรอตอนที่เราเจองูลหลามนะ่ะผมจําได้ว่าพอลงจากเนินนั้นก็ถึงห้างที่ผมนั่งเลยนี่เราเดินกันร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ขึ้นเนินนั้นเลยจอมพรานหัวรอบเบาๆผมไม่ได้ย้อนกลับทางเก่านั่นหรอกครับนั่นเป็นทางลัดเหมาะสําหรับจะเดินทางกลางวันเท่านั้น เพราะต้องบุกพงนี่ผมพาอ้อมหน่อยแต่ก็เดินสะดวกกว่าเช่ดาถอนใจออกมาโล่งอกหมดสงสัยคุณบอกว่าจะส่งเกวียนมาเอาวัวกับหมีพวกนั้นในคืนนี้เลยทีเดียวมันจะสะดวกหรือเพราะเป็นเวลากลางคืนชายยานแสดงความเห็นอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกครับกลางคืนเดินสบายกว่ากลางวันซสีอีกเดี๋ยวผมจะให้จานย้อนกลับมากับเกวียนเพวกลูกหาบอีกครั้ง พลนของผมทุกคนชํานาญป่าแถบนี้หลับตาเดินได้ทั้งนั้นขอเพียงให้บอกที่หมายแน่นอนเท่านั้นป่านนี้เยนน้องคงบ่นอู้ไปแล้วกันมังพี่ชายเอื่อนขึ้นเบาๆหรือไมอ่างา น, นก็คงรบเร้าบุญคําให้พากลับแคมป์ไปแล้วก็ได้เพราะพวกเรานัดจะย้อนไปรับตอนเย็นแต่นี่มันทุ่มกว่าเข้าไปแล้วผมสั่งบุญคําไว้แล้วครับว่าจะยังไรเสียก็ให้รอยังไม่ให้พากลับก่อนแล้วผินบอกมา ไม่ได้ยินเสียงปืนจากด้านห้างของน้อยสักนิดเดียวคงไม่มีอะไรเข้ากำลังเชิฐถาบนต่อไปแต่ระพินก็ตอบว่าระยะระหว่างห้างของคุณชายกับห้างของคุณหญิงไกลกันมากครับและห้างคุณหญิงก็อยู่ใต้ลมเสียงปืนทางโน้นดังมาไม่ถึงหรอกครับนายจ้างของเขาทั้งสองมารู้เอาว่าเดินใกล้ห้างของดารินเข้ามาก็ต่อเมื่อระพินป้องปากกูพร้อมกับฉายไฟวับแวบไปเบื้องหน้า มีเสียงกูของบุญคำตอบมาพร้อมกับลำไฟฉายทั้งหมดตรงเข้าไปยังไม่ทันจะถึงตัวมองเห็นหน้ากันชัดดีเสียงบุญคำก็ตะโกนบอกกับพระพินมาเป็นเสียงบนอย่างเสียดายว่าหม่อมราชวงดาลินมือปืนประจำห้างปล่อยควางตัวงามไปเสียเปล่าตัวหนึ่งโดยที่ไม่ยอมยิงมิหนำซ้าเขาจะยิงก็ยังปัดปืนเสียอีกทำให้ยิงผิดบุญคำฟ้องลั่น เมื่อฝ่ายที่เข้ามาสมทบเดินมาถึงก็เห็นหญิงสาวยืนสะพายปืนกอดอกอยู่ที่ซุ้มไผ่ใต้ห้างหน้างอ่อเพราะต้องทนแก่วคอยอยู่นานไหนเขาว่าเราปล่อยกวางไปเสี้ยตัวหนึ่งเลยชัยยันถามยิ้มยิ้มปุนคำใจร้ายหล่อนหันไปจีบ ป, ปากและคอนพรานพื้นเมืองมีอายุผู้เคี้ยวหมากยับยับยิ้มแก้มตุยอยู่ข้างๆ มีอย่างหรือเห็นอยู่ชัดๆว่าลูกของมันตามดูดนมอยู่หย่อยๆยังยุ่จะให้ยิงอีกพอฉันไม่ยิงนั่งดูเฉยๆแกกับคว้าปืนของแกจะยิงเลยผลักเสียเกือบตกห้างดีไม่หล่นลงมาคอหักตายบุญคำ ห, หัวรอกก้ากๆชอบอ ก, ชอ บ, อกชอบใจเชษฐถาจับแขนน้องสาวแล้วเราได้อะไรมั่งล่ะหรือไม่ได้ยิงอะไรเลยหล่อนแบมือยักไหลไม่ได้อะไรสักอย่างนั่งทัศนาชีวิตสัตว์ป่าไปเองนั่นแหละค่ะ พี่ใหญ่เก้งยุ่เยียบไปหมดตาดําเป๋วแ ป, แป๋วมองสบตากันยังไม่หนีเลยเหมือนอยู่ในสวนสัตว์น้อยก็เลยเหนียวไก่ไม่ออกดูมันเล่นเสีงยงั้นเองน้อยไม่ยิงแล้วพวกเก้งกวางยิงไม่ลงชายยันบ่นพึมหม่อมราชวงเชิฐาผู้เป็นพี่ชายยิ้มยิ้มส่วนระพินรอบจำเรืองผ่านไปหน้าหญิงสาวด้วยใบกายตาแสดงความรู้สึกที่แปลกจะดูลักษณะภายนอกว่าแกร่งกล้าวแข็งกระด้างอย่างไรก็ตาม หล่อนก็ยังมีคุณลักษณะและท่าแท้ของความเป็นผู้หญิงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เขาเพิ่งจะแน่ใจเดี๋ยวนี้เองถ้าอ่อนหวานนิ่มนวลนสี่อย่างเดียวเท่านั้นหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินจะเป็นคนสวยที่สุดชนิดที่เขาไม่เคยเห็นใครงามเหมือนมาก่อนแล้วพินบอกกับตนเองหล่อนต่อว่าเรื่องมารับช้าซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่ชายและชายยันเป็นผู้อธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังว่าต่างได้พบเห็นและญิงอะไรบ้าง หล่อนฟังอย่างสนุกและพลอยตื่นเต้นแต่ดูเหมือนไม่ได้หันมาทักทายหรือศบตา ก, กบับพระพินอยู่ตามเคยราวกับว่าไม่มีพรานใหญ่อยู่ร่วมด้วยในขณะนั้นเขารู้ดีหม่อมราชวงหญิงคนสวยยังไม่หมดความกระดากอายในเรื่องเมื่อเที่ยงนี้เรื่องที่เปลือยร่างลงไปอาบน้ําในลาธารทะเลาะกับเขาแล้วช้างป่ามันไร่จนต้องกระโจนเข้ามาเกาะเขา ท, ท, ทั้งที่เปลือยเปล่าอยู่เช่นนั้นก็ดีเหมือนกันรพินคิด ระยะนี้หล่อนจะได้ไม่ต้องมาตอแยหาเรื่องรวนเขาเหมือนเช่นเคยไม่งั้นพบหน้าใกล้ชิดกันทีไรเป็นต้องแขวะทุกทีไปทั้งหมดเดินคุยกันตามสบายกลับมาถึงแคมป์เวลาสองทุ่มตรงพอดีเมื่อถึงละพินก็สั่งให้บุญคำนัด จ, จานพร้อมกับลูกหาอีกสองคนนำเกวียนเด้มหนึ่งเดินทางย้อนกลับไปยังซากวัวแดงที่เชิดาล้มไวเพื่อถลกหนังและชแระเนื้อบรรทุกกลับมา และ่งให้จันร์ย้อนไปยังซากหมีสี่ตัวที่ถูกยิงเลยขึ้นไปอีกเล็กน้อยโดยอธิบายสถานที่ไว้ให้ทราบชัดซึ่งแน่ใจว่าจันคงจะไปพบโดยมิสีเวรามากนักเพราะชำนาญทางดีอยู่แล้วอาหารข้ามของคณะนายจ้างเกิดกับเสรยเตรียมไว้อย่างพร้อมสพท์แล้วภายหลังจากอาบน้ำและพักสนทนากันอยู่ครู่ก็นั่งประจำโตะ๊ระรพินถูกเชิญให้มาร่วมอาหารข้ามตามเคย ทั้งหมดกินและสนทนากันไปพรางอย่างออกรถเว้นหม่อมระชวงหญิงดาลินคนเดียวที่รับประทานอยู่เงียบๆและก็ตรงตามที่ละพินคิดไว้คือข่้มนี้หล่อนไม่ได้หาเรื่องลวนหรือพูดแขะเขาอีกดูจะสงบไปกว่าทุกวันจนเชษฐาและชายยันก็ไม่วายจะสงสัยแต่ก็มีมีใครกระตุน้นเตือนคงคุยกันถึงเรื่องอื่นๆอย่างสนุกสนานขณะนั้นเองทุกคนในเต็นต์ยังไม่ทันจะอิ่มจากการรับประทาน ก็มีเสียงพวกลูกหาพูดกันโบยวายผิดปกติอยู่เบื้องนอกคนเหล่านั้นพูดกันด้วยสำเนียงแสดงอาการตื่นตกใจเป็นภาษาพื้นเมืองฟังไม่ได้สับระพินขมวดคิ้วตะแคงหูฟังยังเอกใจส่วนในจ้างของเขาทั้งสามก็หยุดรับประทานหันมามองดูหน้ากันอย่างสงสัยครั้นแล้วโดยทันทีนั้นเกิดพรานพื้นเมืองของเขาก็วิ่งพูดพาเข้ามาทางประตูเต็น์รายงานกระหืดกระหอบเร็วปือเจ้านายครับ ไอ้กุดรางเอาลูกหาบของเราคนหนึ่งไปเสียแล้วระพินทิ้งช้อนที่กําลังจะตักอาหารลงในทันใดพร้อมกับเพ่นพวดขึ้นยืนในขณะที่นายจ้างของเขาทั้งสามตะลึงงานไปชั่วขณะไม่สามารถจะเข้าใจได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่รู้ความหมายของคําว่าไอ้กุดมาก่อนแต่ก็พอจะรู้ว่ามันน่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเสียแล้วฟังจากท่าทีเสียงรายงานของเกิดและลักษณะของพรานใหญ่ที่พูดพลาดอย่างกระทันหันทั้งสามยังตะลึงอยู่ แตระพินวิ่งออกไปนอกเต็นท์พร้อมกับเกิดเบื้องนอกพวกลูกหาบแต่ละคนหน้าตื่นเลือกลากแสดงอาการหวาดหวั่นพร่านพึงและจับกลุ่มกันอยู่ที่ลานหน้าเต็นท์ส่งเสียงพูดกันแซดอยู่เช่นนั้นทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่หมดกําลังล้อมมุงเจ้าลูกหาบคนหนึ่งซึ่งยืนหน้าซี่ตัวสั่นอยู่ตรงกลางในขณะนี้ลูกหาบคนนั้นเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณยีปี อาการในยามนี้เห็นชัดว่าความตกใจสุดขีดทำให้มองดูเหมือนคนเสียสตินายเมยหัวหน้าลูกหาบซึ่งเป็นชายวัยห้าสิบอาวุโสกว่าพวกลูกหาบทุกคนกำลังสอบซักถามอยู่ซึ่งเจ้านั่นก็กระหืดกระหอบตอบด้วยอาการรนดานฟังแทบไม่เป็นภาษาจอมพรานสาวท้าแหวกพวกที่มุงอยู่เหล่านั้นเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกคนพอเห็นเขาก็หลีกทางให้ ภายหลังจากการสอบซักก็ได้ความแน่ชัดจากปาคําบอกเล่าของเจ้าเด็กหนุ่มลูกหาผู้ตกอยู่ในลักษณะแทบจะช็อกในขณะนี้ว่ามันกับเพื่อนคู่หูชื่อเอิญได้ชักชวนกันแอบไปนั่งซุ่มดักยิงหมูป่าที่ทานน้ําเบื้องล่างเพราะได้สํารวจพบรอยไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนบ่ายนี้การไปนั่งซุ่มได้ไปนั่งเมื่อตะวันพบขําที่แล้วมานี่เองแต่แล้วระหว่างที่นั่งคอยหมูป่าอยู่ด้วยกันนั่นเอง เจ้าเอิญซึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเจ้าป่งก็ถูกอะไรชนิดหนึ่งซึ่งย่องเงียบมาทางเบื้องหลังกระโจนเข้าตะปบขยาําเจ้าโป่งคนราวยืนยันว่ามันหันมาทางเพื่อนเห็นเพียงแวบเดียวว่าเป็นสือขนาดใหญ่มากเอิญร้องออกมาได้เพียงคําเดียวก็ถูกฆ่าปลากไปต่อหน้าต่อตาและมันก็ห่อแนบขึ้นมาจากริมทันที่นั่งซุ่มอยู่อย่างตกใจจนหมดสติเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหยกหยกนี่เอง และเรื่องสะหด่ใจชวนสยองที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะเจ้าลูกหาบขนองไม่ยอมเชื่อฟังฝ่าฝืนคําสั่งของเขาที่ประกาศห้ามไม่ให้ใครติดเตะออกไปนอกบริเวณแคมป์โดยไม่จําเป็นนั่นเองระพินหันขวับไปทางนายเมยหัวหน้าลูกหาบฉันสั่งห้ามแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้พวกเราออกไปนอกบริเวณแคมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตะ ว, วันตกดินไปแล้วหัวหน้าลูกหาบเองในขณะนี้ก็หน่าซี้ตัวสั่น ขวัญเสียไปหมดพูดลิ้นพันกันผมผมสั่งห้ามมาแล้วครับเจ้านายไอ้สองคนนี้มันแอบหนีออกไปเองโดยที่ผมก็ไม่รู้อยู่ๆก็เห็นไอ้โป่งวิ่งร้องไวยวายขึ้นมาจากลำธารเชษฐาชา ย, ยันแลดาลินก็พากันวิ่งตามก็มาถึงในบัตรนั้นเกิดอะไรขึ้นทั้งสามถามเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันรัพินจำเป็นต้องอธิบายให้คณะนายจ้างของเขาทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างคร่าวๆ ดาดินร้องอุทานออกมาอย่างตกใจเชษฐากับชายยันก็เต็มไปด้วยความตื่นตะ น, นกเพราะไม่คาดฝันมาก่อนอย่าเสียเวลาเลยดะพินตามกันเดี๋ยวนี้แหละหม่อมราชวงเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะพูดเร็วปือวิ่งกลับไปที่เต็นดะพินสั่งงานกับคนของเขาโดยเร็วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นคณะนายจ้างของเขาทั้งสามก็เตรียมพร้อมเชษฐาวิ่งกลับออกมาจากเต็นท์พร้อมลูกซองอกึ่งอัตโนมัต ส่วนชายยันกับดารินถือลูกสองแฝดกันคนละกระบอกไฟฉายครบรัฐพินสั่งให้เสยพรานของเขาอยู่เฝ้าแคมป์พร้อมด้วยลูกหาบทั้งหลายตัวเขาเองเกิดนายจ้างทั้งสามพร้อมกับนายเมย์อันเป็นหัวหน้าลูกหาบและเจ้าปงผู้เผชิญกับเหตุการณ์มาสดๆร้อนๆพาการตรงไปที่ลำธารโดยเร็วโดยให้เจ้าป่งเป็นคนนาไปชี้สถานที่เกิดเหตุมันเป็นพุ่มไม้ทึบ ต่ำกว่าระดับที่ดาลินลงมาอาบน้าเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เพียง5้าิเมตรเท่านั้นอันเป็นตำแหน่งที่ปงกับเอิญผู้เคราะห์ร้ายชวนกันมานั่งซุ่มดักยิงหมูป่าและเจ้ารายผีเสียงย่องมาเล่นงานสิ่งที่เหลือไว้เป็นพยานหลักฐานสยดสยอ ง, ง, ง, งก็คือปืนแก๊ปคู่มือของเอิญและกลักยาสูบที่ตกอยู่ข้างซุ้มไม้มีรอยเลือดเลี่ยกระจายภายหลังจากก้มลงตรวจตาสารวจร่องรอยเพียงอึดใจเดียวจอมพรานก็แน่ใจว่า มันจะเป็นเสือตัวอื่นไปไม่ได้นอกจากอกุดนั่นเองรอยที่มันย่องมาตามพื้นแฉะชิดกับทานน้ำฟ้องชัดทุกคนคลางออกมาเมื่อเห็นร่องรอยของลูกหาบผู้เคราะร้ายที่ถูกข้าออกไปนายเมือผู้เป็นหัวหน้าลูกหาบถึงกับสะบดออกมาอย่างเจ็บแค้นส่วนเจ้าปง่งผู้ร่วมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามตาตัวสันสตานหน้าราวกับศพไอกุดแน่ๆเชียวครับเจ้านาย ที่ล่างเอาเจะเอิญไปรอยของมันชัดอยู่นี่เมยร้องออกมาภายหลังจากพิจารณาดูรอยตีนอันใหญ่โตที่มีตําหนินิ้วขาดหายไปข้างหนึ่งนั้นเพราะกิตติศัพท์ของไอ้กุดและความร้ายกาจของมันย่อมจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก่อนเป็นอันดีในบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายเว้นไว้แต่พวกนั้นจะไม่รู้เท่านั้นว่าเสือรายผีสีงมาป้วนเปี้ยนติดตามขาบวนการเดินทางอยู่ทุกฝีก้าวย่างเพราะระพินและกลุ่มพรานเขา ซึ่งรู้เรื่องหน้ามาก่อนไม่ได้บอกให้ทราบเพียงแต่ออกกฎสั่งห้ามให้ออกนอกแคมป์อย่างเดียวเท่านั้นคําว่าไอ้กุดทําให้คณะนายจ้างของเขาที่สงสัยมาแต่แรกนับตั้งแต่เกิดวิ่งเข้าไปรายงานระพินในเต็นท์แล้วหันมาทางในพาร์ทใหญ่หมายความว่ายังไงกันถึงเรียกว่าไอ้กุดลระพินก็จําเป็นอีกครั้งที่จะต้องอธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าเสือร้ายที่ได้รับสมญาว่าไอ้กุดให้บรรดานายจ้างของเขาฟัง ทั้งหมดพอทราบเรื่องตลอดก็พากันตรึงงานไปคุณไม่ได้บอกให้พวกเรารู้ตัวกันก่อนเลยว่าไอ้วายร้ายนี่ย่องตามคณะของเราอยู่ชายยานคลางออกมาผมเห็นว่ายังไม่จําเป็นและกลัวว่าจะทำให้เสียขวัญความจริงถ้าทุกคนเชื่อฟังปฏิบัติตามคาสั่งของผมเรื่องร้ายมันก็คงไม่เกิดขึ้นแต่มันก็มีลูกหาบเคราะหร้ายของเราฝ่าฝืนเขาจนได้เพราะความขนองของมัน ถ้าผมบอกเรื่องนี้แทนที่พวกคุณจะมุ่งในการเดินทางหรือล่าสัตว์อื่นๆอย่างปลอดโปร่งก็จะมาคอยผวงล่ามันอยู่ซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยรัพพินลูกหาของเราฝ่าฝืนคำสั่งและคลอร้ายเองแต่ถึงอย่างไรเราก็จะไม่ยอมให้เหตุร้ายนี้ผ่านไปเฉยๆเราจะต้องเอาตัวมันให้ได้ไม่ว่าจะเสียเวลาสักเท่าไหร่เชษฐาพูดเครียดแล้วนี่มามัวเสียเวลากันอยู่ทาไม ทำไมถึงไม่ออกตามเดี๋ยวนี้ลูกหาบของเราอดรอดก็ได้ถ้าเราตามมันทันดาลินพูดมาเร็วอย่างคนที่ไม่ประสีภาษาอะไรมาก่อนนอกจากสัญชาตญาณแพทย์และผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อทราบว่าคนกำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายหล่อนเองตื่นเต้นอกสันในเหตุการยิ่งกว่าทุกคนยกเว้นเจ้าปงซึ่งเป็นผู้ที่เห็นภาพกับตาที่ทาท่าเหมือนจะเป็นบ้าอยู่ในขณะนี้รพินหัวราะหึหึ เขาไม่ถือสารในคำพูดแบบไม่เข้าใจในเหตุการณ์ของหญิงสาวชัยยันก็ตอบมาแทนให้ว่าตามนะ่ะเราต้องตามแน่แต่เรื่องที่จะช่วยชีวิตเอินไว้เป็นไม่ต้องหวังหมอนั่นคงตายในทันทีที่มันกระโจนขยํำเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทำได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือตามศพเขาและตามล่ามันเท่านั้น